โดยวิธีอ้อนวอนบวงสวงดังจะนำหลักธรรมมากล่าวเป็นข้อๆคือหนึ่งในสัยุาตนิกายสลายตนะวัตรประไตปิฎกเล่มสิบปดพระพุทธเจ้าตรัสเป็นใจความว่าเราเอาน้ำมันเทลงในน้ำแล้วจะอ้อนวอนให้จมลงอย่างไรน้ำมันก็คงจะลอยขึ้นเหนือน้ำเสมอไปเราจิ้งก้อนหินลงในแม่น้ำ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 อังคุตราณิกายพระไตปิฎกเล่ม22พระพุทธเจ้าตรัสสอนอนาธบิณฑิกะคฤหบดีใจความว่าสิ่งที่น่าปรารถนารักใครเจริญใจห้าอย่างคืออายุผิวพันยศสุสวรรค์นั้นเราไม่กล่าวว่าจะได้มาด้วยเหตุความบิงวรมปราปรถนาเพราะถ้าจักได้เพราะความบิงวรมปรารถนาแล้วใครเล่าจะขาดแคลนอะไร